Um na, na, u, nah um il a l l a h ب m m a bika a ب b a h n a wabika a m s و y n a wabika namuto, wabika n أنت ربي لا إله إلا أنت خ ل ق ت ن ي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك م س ت ح ق ت أبوؤلك ب ن ع م ت ك ع ل ي وأبوه بذنبي ฟ้าอล้ายัฟฟิรุลซนล้าต a ن ي ع و ذ بك من شر ما ن ดตอนตื่นนอนบนที่นอนาลล ا بعدما م ا ت ن ا و ل ه ي ن ش و ر ้อถึง a l ตลอดเวลาอิมามอ่านตอนไหนนมาสุบโบได็กิงกอฟละฮมันตาักกะแปลว่าอะไรก่อนเดาฟละฮามันตาจักกะคนที่จะได้รับความสาเร็จต้องเป็นคนที่ขัดเกลวหัวใจตลอดเวลาจะได้ขัดเกลวหัวใจทำไง อย่านึกอย่านึกเป็นนึกอย่างนี้สินึกไอ้เหล็กที่มันมีสนิมอะทำไงขัดต้องใช้อะไรนะใช้ทรา ย, ายกระดาษทรายขัดแต่คนเนี่ยจะเอากระดาษทรายขัดได้ไหมแล้วเอาอะไรมาขัดอูอ่านสอนเลยกนะ็จะอัฟละฮมันตาซักกะวาดะกะรสมารบบีฮีฟาซัลลา รำลึกถึงอัลลอฮฺ zakar z i k e ำลึกถึงอัลลอฮฺฟะซลลัแล้วก็นามานการรำลึกถึงอัลลอกับการนามาดสองรายการนี้เป็นการเป็นกระดาษทรายที่ขัดหัวใจที่มีสนิมมีสกปรกอัลลอฮฺเราสอนให้หมดเลยแทนการปล่อยชีวิตให้หมักมมปล่อยชีวิต ไม่รำลึกถึงอัลลอฮฺรำลึกคิดแต่เรื่องการเมืองอย ก, ยกตัวอย่างเรื่องการเมืองนะคุยเรื่องการเมืองการเมืองการเมืองต่า ง, าเงๆเช้าเย็นเย็นนั่งที่ร้านกาแฟก็คุยเรื่อง<ม>อะไรเดีเรื่องชาวบ้านคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอย่างนี้รำลึกถึงอัลลอไหมขัดเก้าหัวใจให้สะอาดไหมไม่เขาวาหมักมม ไปคุยเรื่องอื่นที่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้คุยหมักหมมถ้าหมักหมมเป็นยังไงล่ะโอ้โหเป็นชาวนรกท่า น, นรำลึกถึงอัลลอฮ์ขัดเกาหัวใจให้สะอาดวาจากรสมารบบีฮีฟอซัลล่าแล้วกูอ่านอ่านต่อไปอีกที่มามอ่านไม่ได้กี่นีบัลตุซิรูนลฮหยาตัดดุนยา ท, ท่านทา่านทั้งหลายเนี่ยมาถึงมนุษย์เนี่ยชอบโลกชอบโลกดุนยาเนี่ยโลกไปเนี่ยมากกว่าโลกอาคีรคัตท่านคนไม่เรียนศาสนาเนี่ยไม่ฟังศาสนาเนี่ยชอบโลกดุนยาหมดเลยคําว่าโลกดุนยาเนี่ยอธิบายยังไงโลกดุนยาอธิบายอย่างนี้ดุนยาเนี่ยเป็นเป็นชื่อเป็นตัวแทน ของอะไรบ้างเนี่ยของเงินเงินที่อะไรเงินทรัพย์สมบัติในรูปของที่ดินในรูปของอะไรบ้านที่อยู่อาศัยรถแพะแกะอัวควาที่เราเลี้ยงอยู่เน่เป็นของเราทั้งหมดอลัลลอ์ให้ให้เป็นเจ้าของแทนอัลลอฮ์อัอลลอฮ์จะดูเราให้มันมันหลงป่าถ้าเราหลงกับที่ดินจนกระทั่งมันจะลุกขึ้นนมา มีเงินอ่ะมีที่ดินมีสวนเยอะแยะไปหมดลืมอัลลอฮฺเขเรวันหลงดุจยาแล้วก็ชื่อเสียงทุกคนมีชื่อเสียงหมดเดี๋ยวพอโตอีหน่อยจะเป็นอบตอบจชื่อเสียงเยอะหลงหลงตําแหน่งหลงชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศที่อัลลอฮฺให้อ่ะลืมอัลลอฮฺ ทีนี้แต่หากเป็นอบต อ, อบจอสสสอขอสค อ, อ, อ, อ, อะไรก็ตามเถอะไม่ให้ลงอัลลอฮ์ทำไงรู้เป่าเอาตําแหน่งที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเอามารับใช้งานาศาสนาของอัลลอฮ์เอามาดูแลคนให้คนเข้าหาอัลลอฮ์ให้คนได้อ่านกัรภีรให้คนได้ศึกษารเรื่องของอิสลามเนี่ยทามิตรมีตําแหน่งสูงอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์อัลลอ บอกว่าคนนี้นะมีตำแหน่งดุนยาแต่ไม่ลืมอัลลอฮ์ไม่หลงดุนยานี่ ถ, ถ้าเราอ่านกุราห์นะเข้าใจมามอ่านเข้าใจเพลินไม่อยากให้รู้กลัวาองอันเรื่อยๆฟังเพลินอย่างนี้เป็นต้นอัลฮัมมุนแล้วขอบคุณอัลลอฮ์เรามีทางออกสำหรับชีวิตอย่าปล่อยให้ชีวิตเราหมักหมมนะนี่ที่ขึ้นมานามาซโบแล้วมานั่งมานั่งฟังตัฟซีดเนี่ย นี่อย่างนี้เนี่ยไม่เรียกว่าคนหมักหมมนะเขาเรียกว่าคนอะไรนะซักฟอกหัวใจของเขาให้สะอาดและดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านตับเซจใช่ไหมุราคุณอ่า น, นสุรั์อให้ิจรูเนี่ยอายาที่เท่าไหร่นะนั่นละก่อนหน้าอายาที่เอ่อสี่สิบเนี่ยสี่สิบสี่สิบสองส่ิบสามนี่พูดเรื่อง ใช่ตอนอืมแล้วก็พูดเรื่องนรกนรกเนะี่ยมีนะมินนรกมีอยู่กี่ขุมอ่ะกี่ประตูนะซาบอาตุอาบวามีอยู่เจ็ดบานมีอยู่เจ็ดประตูประตูเจ็ดบานแล้วก็มีชื่อด้วยแล้วก็อุลามะหมายถึงนักอธิบายตักเศษในยุค ข, ของนบีอธิบายเอง ว่าแต่ละขุมแต่ละขุมนั้นใครลงไปอยู่ตรงนั้นผมขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะละฮาซับอาตุอาบวอาบนรกนั้นมีอยู่เจ็ดประตูมีใครแต่ใครไปอยู่ในนั่นบ้างเราพอ อ, อ่านแล้วขนลุกอ่ะที่หนึ่งก็คือได้ชื่อว่ายาหั ah ah ในนำยาหันนำยาหันนำนี่ใครอ่ะใครไปอยู่พวกเรานี่แหละ ที่เป็นแขกผมว่าแขกนะแลวไม่เอาศาสนาอ่ะหลงดุนยาอแมไ ม, ไม่นำมาต์นำมาตปีหนึ่งกี่ครั้งสองครั้งเองแล้วพามาส้ามานำมาตในกลุ่มโซนน้าเนี่ยเพื่อนไม่ให้เข้าโซเราด้วยอยู่ที่ไหนนอกนอกนำมาตข้างนอกนวนอย่าเข้าบ้านอัลลอฮ คนอย่างนี้นะตกนรกแน่ๆบาปหมดเมื่อไรถึงจะเข้าสวรรค์เรียกว่าจะหันนำแล้วก็มุสลิมที่ทำซินามุสลิมที่กินเหล้ามุสลิมที่เล่นการพ น, นันเนี่ยคนเหล่านี้นนะ่าถูกลงโทษแน่ๆเรียกว่ายะหันนำกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองเนี่ยเรียกว่าลาจอลาจอเนี่ยได้กับใครรู้เปล่า คนที่นับถือนับถืออัลลอฮ์เหมือนกันนะ่ะแต่อ้างว่าอัลลอฮ์มีลูกแล้วก็ย ا ตายในสภาพเพี่ตัวเองยอมรับว่าอัลลอฮ์มีลูกชื่อ z, อุซัยสอูซัยส์แต่พวกเยโฮดีพวกยฮูเห็นไหมนี่ถ้าหากเราไม่เรียนศาสนาะเราก็ไม่รู้เอ๊ะใครบ้างตกนรกแต่เราไม่ตกหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มที่สามพวกนาซรอ ผวงนี้ก็อ้างอัลลอฮ์ว่าฉันจะรักอัลลอฮ์แบบมุสลิมรับนี่แหละแต่ว่าอ้างว่านบีอิสซาเป็นลูกอัลลอฮ์นี่ไงอัลลอฮ์ไม่พอใจตรงนี้แล้วก็ยืนหยัดยืนหยัดจนกระทั่งตายถ้าเตาบ้าตัวสิแล้วกลับเนื้อกลับตัวมายอมรับแบบคำสอนที่นบีมูฮัมหมัดสอนอ่า อ, อย่างนี้ได้ไปสวรรค์นะครับกลุ่มที่สี่นะครับ พวกซอยีบิซออีบีนออบนเนี่ยมันเปพวกบูชาเนี่ยดาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรแต่อะไรลระบุมที่ห้าเนี่ยพวกมายูซี่พวกมายูซี่อยู่ในอิรานเนี่ยเยอะพวกมายูซีบูชาเนี่กองไฟอะแล้วพวกเราวันนี้เมื่อก่อ น, นี่ยังมีเยอะเราเนี้เบาไปแล้วนะที่เดินรอบกองไฟอ่ะ อะไรนะเจอกับดะไดลูกเสือชาวบ้านเนี่ยอ่าระวังระวังพวกนี้ถ้าถ้าไม่ไม่จะมีศาสนาระวังระวังนะครับแล้วก็กลุ่มที่หกพวกมุชริกีนมุชริกินอธิบายยังไงคือคนที่นับถืออัลลอฮ์แล้วก็นับถือสิ่งอื่นเช่นนับถือโต๊ะตะเกียดด้วยอ่านมาตอล้อด้วยแล้วก็ไปหาโต๊ะตะเกียไปหาโต๊ะระยองไปหาโต๊ะโตะอะไรที่กูโบกูโบที่ คนตายไปแล้วเราไปขอจะเข้านะ่ะบอกท่านช่วยขอติดต่อกับอัลลอแทนฉันหน่อยเพราะท่านเป็นคนดีดีกว่าฉันตั้งเยอะนี่นะ่ะเขาเรียกคนชิริกคนมุชิริกคนมุชิริกเนี่ยอัลลอให้นะรกมาเรียกว่ายาฮีมอโลนัครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มสุดท้ายนะ่ะกลุ่มที่เจ็ดเนี่ยบานที่เจ็ดก็คือลินมูนาฟิกีนคนที่หน้าไหว้หลังหลอกหน้าไหว้หลังหลอก คนในสมัยนบีเยอะมานั่งกำนัล ก, กับท่านนาบีเป็นมุสลิมฉันรักอัลลอฮ์รักนบีแต่พอออกจากนาบีไปสิดานาบี ม, มูฮัมหมัดอย่างนี้เป็นตน้นคนมูนาฟิตินคนเลวมากเลยมีอุจเจเห็นไหมพี่น้องครับวันนี้เรามาเจออายะกรุ๊อ่านที่เท่าไหร่นะที่ห้าสิบสี่สิบห้านะครับ อินนัลอินนลัลมุตตะกีอินนัลมุตอินนัลมุตตะกีนาฟีจนติวะฮยนอินนัลมุตตะกีนามุตตะกีนเนี่ยแปลว่าวอะไรนะผู้ที่สำรวมตนจากความชั่วคนที่สำรวมตนจากความชั่วหมายความว่าคนที่ไม่ทำชั่ว คนที่ไม่ทําบาปากลุมนี่นะกลุ่มสัฮาบะสัฮาบะหมายถึงกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดกับนบีนะแล้วรองลงมากลุ่มที่ไม่เคยเห็นหน้านาบีแต่เห็นหน้าสัฮาบะเรียกว่ากลุ่มตาบียอีนนะตาบีอีนกับอะไรนะกับสัฮาบะคนสองกลุ่มนี้อธิบายอย่างนี้อธิบายคนมุตตะตีนอธิบายว่า เป็นคนที่ไม่ทำชีริกไม่ทำบิดาแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮฺท่านคนจะเป็นมุสตะกีนได้เนี่ยจะต้องไม่มีคำว่าชีริกต้องไม่เคยไปหาโต๊ะตะเกียรเลยไปขออะไรจากโต๊ะตะกีและไปขอจากโต๊ระรายองไม่ไปไปหาหมอดู คนเหล่านี้ได้ชื่อว่าคนมุตตะกีนเราอยากได้เป็นคนมุตตะกีนมไหมล่ะถ้าอยากเป็นคนมุตตะกีนเนี่ยนะอัลลอฮ์สัญญาว่าไงนะฟีจันน่าติ้นเขาจะได้อยู่ในสวนสวรรค์เห็มไหมฉะนั้นอย่าอย่าทำชีริกต่ออัลลอฮ์ชีริกนี่มันอัลลอฮ์คนที่เข้าใจสุนนะเนี่ยนะเขาจะไม่ทําบิดา คนที่เข้าใจสุนน나ดีๆเนี่ยก็จะเขาเขาเขาจะไม่ทำบิดาถ้าคนที่ไม่เข้าใจสุนน า, นาณบีเนี่ยนะกับบิดาเ น, นี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าอะไรบิดาในบิดาก็คืองานในศาสนาเรานี่แหละของที่นบีไม่ได้ทำแต่เราทำอ่ะอย่างงี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณอ่านนาบีบอกว่า จงทาบ้านของท่านอย่าทาบ้านของท่านให้เหมือนกับอะไรสุสานแต่พี่พูดแค่นี้แหละแล้วเข้าใจยังไงอุลมามะในยุคนั้นมาถึงพวกศาลาพวกสอฮาบะตาบีอินเขาอาธิบายอาธิบายว่าไงคนที่เชื่อนบีไม่ทาบ้านให้เป็นกูโบตก็คือไม่ไปอ่านกุรอานที่กูโบร ไม่เข้าไปอ่านกุรอ่านในกูโบรนั่นแหะเป็นคนที่ไรนะปฏิบัติตามสุ น, นัขนาบีคืออ่านกุรอ่านที่บ้านแต่ไม่อ่านกุรอ่านไหนในกูโบอย่างนี้เป็นต้นเอาถามว่าพวกเราอ่านกุรอ่านในกูโบกันเปล่าเป็นคนแขกทั้งหมดนั่นแหละอ่านกันไหมอ่านอ่านวันไหนในวันอีดโอ้โหไปกันทุกกูโบเลยนะ่ะนั่งกันเต็มไปหมดเลยไป น, น้อง ทำถูกก็ท ำ, ทำผิดทำผิดพอเชื่อผิดน่ะพอเชื่อผิดมันก็ทำผิดมันก็คิดผิดแล้วเป็นไงอยา่าลืมข้อเรื่อ บ, บิดอ้าพ่อหนบีไม่ได้ทำอ่ะถามว่าบิดอ้าเนี่ยเป็นเป็นมุดตะกีนไหมไมาใช่มุดตะกีนแล้วไปถามพี่น้องเราเนี่ยแยกแยกออกไหมแยกไม่ออกอ่ะ <S <S แล้วบอกอย่าไปอ่านกูอ่านไอ้กูโบ้อ้ากูอ่านไม่ดีเลยโอ้ใช่ใช่ดีอ่ะแล้วก็ดี จะมาฟาดวามาหู ก, ก่มว่าเลวยังไงเห็นไหมนี่ไงเข้าใจาศาสนากับรู้าศาสนาไม่เหมือนกันนะรู้นะรู้แต่ไม่เข้าใจอ่ะที่นี้มันต้องแยกแยะให้มันละเอียดเลยนะโอ้ชิริกเป็นอย่างนี้บิดอาเป็นอย่างนี้แต่ท่านพี่น้องไม่เรียนไม่ไม่ไมไมใส่ใจนะเราจะเป็นมุตตะกีนได้ไหมไม่ได้เลย ที่ระหะวังครูบอกมีนรกอยู่ขุมหนึ่งรอรับอยู่อะไรนะยานนำเห็นไหมเนี่ยคนที่ทำชิริกคนที่ทำบิดานี่ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ทั้งหมดลงนรกก่อนบาปหมดเมื่อไรอัลลอฮ์ก็เอาออกมานะครับอินนัลมุตตะกีนาฟิจันนติวะยูนแท้จริงผู้สรวมตนจากความชั่วพี่ต้องต้องอธิบายได้นะ สำมรวมตนจากความชั่วคือไม่ทำชีริกไม่ทำบิดาและไม่ทำเป็นคนกูฟอกาเฟตทรยศ ต, ต่อคำสั่งของอัลลอฮสุบฮานาฮูวะตาละนี่ถามที่ช้ตอนเคยเค ย, เคยทำสีนามะตัวตัวช้ตอนเองนะเคยทำสีนาไมไม่เคยทำสีนานะ่ะมันยุให้คนอื่นทำนะอ่าต้อง้อใจนะ ชายตอนไม่เคยทําสินาชายตอนเคยเล่นการพนันไหมไม่เคยชายตอนไม่เคยเล่นการพนันชายตอนเคยฆ่าคนไหมไม่เคยยุให้คนอื่นฆ่าแต่กันโทษพอกันนั่นแหละชายตอนไม่เคยทําชีริกไม่เคยทําชีริกต่อหรอ ไม่เคยไม่เคยยึดสิ่งอื่นใหญ่คู่กับอัลลอฮ์ชาตวนไ ม, ไม่ไม่เคยทําแต่มายุคนอื่นรื้อทำสิรื้อทำสิแต่บาปเท่ากันแต่ชายตอนทําอะไรรูไ้ไหมพี่น้องไม่สุญญุตตอนนบีอาดัมเมื่ออัลลอฮ์สั่งให้อิชายตอนสุญญุแต่ชายตอนไม่ยอมสุญญุเรื่องเดียวแค่เรื่องเดียวเนี่ยอัลลอฮ์โกรธไหม โกรธแล้วเป็นไงอัลลอฮ์ไล่เลยไปฉันละนัดเธอสารสาบสาบแช่งเธอให้เป็นชาวนรกวันนี้ยังไม่ตกนรกหรอกแต่ไปตกตอนไหนนู่นวันเตียมะนู่นทีนี้ใช้ตอนทำอะไรพอถึงเราด้โกรธมากก็คือปฏิเสธที่จะก้มลงกราบตามที่อัลลอฮ์สั่งอืมฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันระวังให้ดีนะ ที่เป็นมุมินที่เป็นมุสลิมวันนี้เมื่อได้รับเนี่ยอามัดจาก AH. อัลลอฮ์มีร้านขายอาหารมีรถขับมีบ้านอยู่หนึ่งหลังพร้อมที่ดินห้าสิบตารางวานี่เป็นเนี้ออามัดไหมเป็นเนื้อมัดถ้าปฏิเสธเนี่ยอมัดของอัลลอฮ์หมายถึงว่าไม่ก้มลงกร AH. าบอัลลอฮ์ทั้งท่าที่อัลลอฮ์ให้ ให้ภรรยามาให้ลูกมาให้ที่ดินมาให้บ้านมาให้รถเก๋งมาให้ไอไรไอแพดไอพอตอะไรอย่างหนึงมาแล้วก็มีนู่นมีนี้ในครอบครัวเต็มไปหมดแล้วไม่สูดอยู่ต่ออัลลอฮ์ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์โกรธไหมโกรธครับก็ใช่ตอนนะไม่ไม่สู้อยู่ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งเราเนี่ยอลัลลอฮ์สั่งหรือเปล่าสั่งให้นามาบรเกียเวลาหาอาลัลลอฮไม่นามาดูสิ ไม่นามาัส ว, วันนี้อลัลลอฮ์ก็ยังไม่ลงโทษหรอกก็ให้อยู่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนใจหมักอะไรนะหมักห ม, มอมเลวไปน้องแต่อลัลลอฮ์ไปลงโทษตอนไหนนู่นน่ะวันเตียมากนู่นน่ะเห็นไหมอัลลอฮ์อัอลลอฮ์อดทนได้เราต่างหากทอดทนไม่ได้ใครทําอะไรไมาถูกใจอเอาเลยเอาเลยเอาเลยแก่แค่ไหนมันสะใจไปน้องแต่อลัลลอฮ์เนี่ยอดทนได้อืมเอาต่อมาครับ อินนัลมุตกีนาฟีจันนาติอวายูนแท้จริงผู้สำรวมตนจากความชั่วจะอยู่ในสวนสวรรค์หลากหลายและมีอวยูุมีน้ำพุนี่อัลดเล่าถึงลักษณะของสวรรค์มีน้ำพุโอโลัลนะครับดูดีละเราเดินแค่สวนหลวงเราเก้าในยังมองดูยังเย็นชำ่ำ น, นี่นทวนสวรรค์อัลลอฮ์จัดให้อย่างดีนะพี่น้องทั้งหลายอทีนี้เมื่อเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์กล่กาวว่าไงนะเมื่อเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์กล่กาวว่าไงกล่าวบอกว่าสี่สิบสี่สี่สิบห้า 4ี 46, uh in in ่สิบหอุดมหลูฮาบิสลามินอามนนจงเข้าไปในนั้นบิสลามินด้วยอะไรนะด้วยความสันติไปอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยด้วยความสันติอามมนินแล้วก็ปลอดภัยอุลามอธิบายดีนะอุลามอธิบายบอว่า อุลมะในยุคซาลัฟเนี่ยก็ อ, อธิบายว่าคนที่เข้าสวรรค์แล้วเนี่ยไม่ต้องพายามองไม่ต้องพาไปแล้วไม่ต้องพาอะไรไปเลยยามองแล้วก็ยาไดนะยาดมยาลมไม่ต้องพาไปไม่ต้องพาเพราะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์แล้วเนี่ยเรื่องปวดหัวไม่มีนะครับเรื่องอะไรนะเรื่องทุกข์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีอัลลอฮฺให้อยู่แบบสันติเลย อุรามอธิบายอย่างนี้นะครับเมื่อเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ลแล้วเนี่ยนะหนึ่งสุขภาพจะแข็งแรงไม่ป่วยเลยภาษาหะดีษบอกว่าไงนะตาเสือหูสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยอบบาบะดันตลอดไปนะครับข้อที่สอง ว่าอันน่งกุมอันตัู้ยู่ไปในนั้นตลอดแล้วก็ฟ้าตาหมูตูวอาบดันไม่ตายอีกต่อไปแล้วเมื่อเข้าไปอยู่ในส ว, สวนสวรรค์แล้วไม่ตายตลอดไปข้อที่สามว่าอันนั่งกุมอันตั้บูอยู่ในนั้นเป็นคนหนุ่มสาวตลอดหนุ่มสาวตลอดไม่มีแก่ เดี๋ยวตอนนี้พวกเราเนอายุเห็นไหมหายหน้าไปห้าหกปีอ๋อบางคนเนี่ยแก่แล้วนอนงอแงนิ่งงอดุนยาไม่มีอะไรถาวรแต่ในสวนสวนรรค์นั่นถาวรตลอดนี่นบีเล่าให้เราฟังนะครับข้อที่สีอยู่ในสวนสวนรรค์ไม่ต้องออกอยู่ไปเลยอยู่ในสวนรรค์ตลอดไปมีอยู่สี่ข้อนะข้อที่หนึ่งสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วย สองอยู่ไปในนั้นไม่ตายไม่เจ็บด้วยไม่ตายด้วยแล้วก็ต่อไปแล้วข้อที่สามนมตลอดหนุมนี่อายุเท่าไหร่ที่ว่านม น, มนมในสวนสวรรค์เนี่ยอายุเท่าไหร่จำได้ไหมเท่าไหร่สามสิบสามกำลังแข็งแรงเลยท่านคนที่อายุสามสิบสาสิบเอดสามิสองสามสสามนี่ยคนแข็งแรงอือือแล้วก็อยู่ไปแล้วมาต้องออก อยู่ในนันตลอดแต่ก่อนที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยอยู่ในอาลัมอาลัมอะไอาลัมอาคิร้อนเนี่ยต้องนึกภาพด้วยนะนึกภาพโลกอาคิร้อนน่ะนึกยังไงวันอาคิร้อนอยู่ในทุ่งอะไรนะทุ่งมหัชย์ยกตัวอย่างว่าทุ่งมหัชย์เนี่ยอยู่อยู่เป็นเป็นเป็นประเทศไทยยกตัวอย่างนะประเทศไทยกว้างแค่นี้ ต้องนึกภาพนะวันหนึ่งของอัลลอ์ประมาณเท่าไรห้ามื่นปีท่านภาพวันเตียมะสองดวงอาทิตย์ห่างกับศีรษะของเรานิดหนึ่งอ่าต้องนึกภาพนะแล้วอัลลอ์จะมายืนให้เบามายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอ์นึกภาพแล้วก็บางคนเพราะโทษมันหนักเหงื่อของเขาบางคนมาถึงตาตุ่ม เหงื่อของเขาบางคนมาถึงหรือแรงมาถึงเขา่าบางคนมาถึงเอวบางคนมาถึงหน้าอกบางคนมาถึงปากนึกถึงน้าท่วมสิเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยหนีทันไหมทนันแต่วันนั้นน่ะอล่อยไมาให้หนีไปไหนยืน อ, อยู่อย่างงั้นแหละน้ําเหงื่อมาถึงปากนึกภาพในพี่น้องนะนึกภาพนะพนอนะ้าวนะแล้วก็ ไอ้คนเนี่ยคนเหล่านี้นะมันก็วิ่งหานาบีกันหมดแหละอย่าเอาลอสันต้องการนาบีให้นบีมาช้าฟามาช่วยให้ฉันออกจากนี่นะจากสภาวะที่แดดร้อนร้อนก็นร้อนถูกทรมานด้วยแล้วก็อยู่ในเงือด้วยโอ้โหแล้วก็ต้องยืนอยู่ประมาณห้า0มนปีวันหนึ่งของอัลลอฮ์เนี่ยนึกภาพอยากจะวิ่งหานาบีอ้าวยกตัวอย่างว่านาบี น บ, บีอิบราฮิมเราอยู่ที่กรทมออยืนอยู่ตรงนี้วิ่งไปหาน บ, บีน บ, บีอิบรอฮิมอยู่ที่จังหวัดตราดยกตัวอย่างก็ต้องเดินไปจังหวัดตราดนะ่ะไม่มีแอร์เอเชียนะไม่มีไทยอินเตอร์นะไม่มีคาทีเซิฟิกนะไม่มีนะต้องเดินไปแล้วก็เงือแค่ปากเอ้าเดินไปสเดินไปเดินไปไปเจอน บ, บีอิบรอฮิมน บ, บีอิบราฮิมช่วยฉันหน่อยสิจะฟังอ้าจะหน่อย ดีบรฮิมาว่าคุณไปหานาบียูซุฟไปไปหานาบีอีซาไปถ้านาบีอีซาอยู่ภูเก็ตะต้องเดินจากจังหวัดตราดมากว่าจะถึงภูเก็ตนะเดินในน้ำเหนือแล้วนะถึงปากเนี่ยคิดภาพดูให้ดีมันเป็นภาพที่ทรมานสุดๆเพราะฉะนั้นวันนี้ทำอะไรนะต้องนึกถึงภาพอาคีรอเยอะๆที่มาม่ามุตะกีเนี่ย คนส่วนใหญ่เนี่ยหลงดุนยามากกว่าชอบอาคีราอชอบดุนยามากกว่าชอบโลกอาคีรอก็ไม่ไม่คนที่ชอบดุนยาก็ไม่ต้องคิดโลกอาคีรอ่ะแต่นบีมุฮัมมัดนี่สอนเราให้นึกถึงโลกอาคีรอเยอะๆเนี่ยผมเจอมุสลิมมากคนหนึ่งอายุห้าสิบกว่าแล้วเขาพูดฉันนี่นะอาจารย์อยากจะนอน อยากจะนอนตอนจะไหลตอนตีสี่ตีสี่ครึ่งนะอยากจะนอนมันมันนอนอร่อยจริงๆริงพอคิดเนี่ยคิดถึงภาพอาคริน่าจะต้องไปยืนอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮ์แล้วก็เงื้อถึงปากอาทิตย์ห่างศีรษะคืบหนึ่งวันหนึ่งประมาณห้าหมื่นปีนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะนึกภาพอาคริล่านอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมา นำมาแต่ไรนำมาแต่ฮัตยุทธมานำมาบิเตศเห็นไหมไอภาพอย่างนี้แม้กเราคนฟังศาสนาเนี่ยโอ้โหได้ได้ความรู้เยอะผมเองก็ได้ความรู้เยอะเนี่ยพี่น้องครับนึกถึงภาพอาร์เคโร่เยอะๆนะดีฉะนั้นสามีนะ่นะเวลาคุยกับครอบครัวนะพยายามคุยเรื่องศาสนาเยอะๆหน่อยเธอนะ่ะทาความดีนะ่ะให้นึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ ผมอ่านทาดิสมาคืนเนี่ยสามีเนี่นเอาอาหารใส่ปากภรรยาเอาอะไรเอาลูกอ่างอ้าวเ อ, เ อ, เอน้องน้เธอเธอจะาปากปากใส่หน่อยนี่ภาพโรแมนติกนะภาพโรแมนติกนะในครอบครัวนะแต่ระหว่างที่ใส่นะนึกถึงใครอย่านึกให้ภรรยาดีใจแฮปปี้อย่านึกแค่นั้น นึกยังไงลินเลยฉันทำเพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอสุบฮนานาูวาตอาลอีมานันวะติซาบันไม่พี่น้องอยู่กับสามีภรรยานะโอกาสไปสวรรค์มีไหมมีแต่ท่านเนียดเราดีไงใส่ปากภรรยาบางคนให้ภรรยาแฮปปี้แค่นี้พอไม่ได้คิดต่อนะระวังอ่ะเหนื่อยฟรีนะอัลลอฮให้ความสุขกับภรรยาเหนื่อยฟรีนะ ถ้าไม่ในเนียถึงอลลอสุภขาณวาลาเลยนะพี่น้องดูอ้านก็ต้องอ่านด้วยอลยก็ต้องอ่านด้วยจะเอาผลมาใส่ปากกพระยาก็ต้องอ่านอะไรรบิสมิลลาอเธอว่าต่ า, างๆเลยจะยิดได้ยินจะได้คิดถึงอัลลออย่างงเป็นต้นนี่เราก็แนะนํากันนะครับเอาต่อมาครับอุดคูลูฮาบิสลามินอามีน จงเข้าไปในนั้นด้วยความสันติและปลอดภัยคำว่าปลอดภัยเนี่ยมินกุนลิคมินกุนลิคเข้าฟินวาฟะใจความกลัวต่างๆที่อยู่ในหัวอกหัวใจถูกขจัดออกหมดเลยอ่ะมีคำถามถามมาอย่างนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์แล้วเนี่ยอย่างนี้อย่างพวกเราที่มานั่งฟังตับเซีกัน ก็อายุก็พอๆกันต่างกันแค่สีปีหปีพอไปอยู่ในสวนสวรรค์อีกกลุ่มนึงอยู่ชั้นชั้นอะไรนะชั้นสูงแล้วก็เราอยู่ชั้นต่ํามาหน่อยเราก็นึกภาพเอ๊ะตอนดุลยาเราก็ทําความดีก็พอๆกันทําความชั่วก็พอๆกันเราก็เลิกทาความชั่วก็พอๆกันเอ๊ะทาไมคุณไปอยู่ชั้นสูงเรามาอยู่ชั้นต่ำทำไม เรื iscilla, ่องอย่างงี้ในสวนสวรรค์ไม่มีอัลลอฮ์อะไรนะขจัดเอาออกหมดเลยดูอายะคุรันวะนาซะนะมาฟิซุดูริห์มมิน غ ลิอิควานั้นล ل ى سرور ิมุ ت ق ا ب ل ي ن วะนาซะนะแปลว่าเราขจัดเอาออก เราดึงเอาออกอะไรครับมาฟีสูดูริิมซึ่งสิ่งที่อยู่ในหัวอกของเขาเหล่านั้นดึงออกหมดเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดึง อ, อะไรนะลิลลินความหม่นหมองความหม่นหมองความทุกข์ความเสียใจความเศร้าใจอัลลอ์ดึงออกจากหัวใจของคนทุกคนที่จะเข้าสวรรค์ ให้บายเพื่อนเท่าไรอารอดึงออกหมดเพราะอัลลอฮฺเมตตาเราต่างหากคือดึงอะไรนะเอาความหมงหมองความเสียใจความทุกข์ใจความอิจฉาดุสยาทําไมพรอเวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีภรรยาเราอยู่คู่กับเราแต่บางทีลูกลูกเราอ่ะไปอยู่สวรรค์พิเศษนะอ้าวทาไมอ่ะก็เพราะเราส่งส่งลูกเรียนหนังสือจนกระทั่งลูกเนี่ยมี إ ي م านมีศาสนากลายเป็นอัลมะฮฺ อัลลอฮ์ก็ยกย่องไปอยู่ชั้นสูงแล้วพ่ออยู่ชั้นต่ำเนี่ยเสียใจไหมถ้าหากอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เสียใจแน่ๆเพราะอัลลอฮ์ยังไม่ได้ถอดออกจากหัวใจพวกเราเรื่องอิจฉาทิษยาเรื่องความอะไรนะความทุกข์ความอะไรนะโมโหเกียรติช่างมาอยู่ในใจอัลลอฮ์ยังไม่ได้เอาออกนีแต่อัลลอฮ์จะเอาออกตอนไหนตอนที่จะเข้าสู่สวนสวรรค์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ดึงออกหมดเลย โอโอนไลน์ที่ทั้งหลายดีไหมดีเอาวันนี้เอาลอกแบกอะไรไว้นะแบบความโกรธความเสียใจความทุกข์ความอิจฉาวันในใจเราใช่ไ้ยทำไงจะให้สิ่งเหล่านี้ออกไปอยู่ห่างๆตัวเราหน่อยเอาลอไม่เอาออกเอาล็อให้เราจัดการเองอ่านี่ไงคนที่จัดการเองเนี่ย อยาให้มีความทุกข์อยู่ในใจทายยําไงอยามีความเศร้าความอิจฉาทิสยาผูกพยาบาทอยู่ในใจอลัลลอฮ์ให้เราทําเองแล้วก็ให้วิธีการปฏิบัติโดยนบีมุฮัมมัดสุลลัลมมาสอนวิธีการทํำยังไงไม่ให้มีความโกรธความอิจฉาทิสยาอลัลลอฮ์สอนรรทางคัมภีร์อุปถัมภันมุตะกี้เนี่ยทําไมเนี่ยไหมคนที่ซักฟอกหัวใจให้สะอาด ไม่มีอิจฉาทิษยาผูกพยาบาทให้รำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆแล้วก็ให้นึกภาพทำความดีให้นึกภาพโลกอาคครอฮ์เยอะๆมันจะทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เรื่องอิจฉามันก็ไม่มีมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ให้อภัยได้แบบใครขอยกตัวอย่างเลยครับแบบท่านอบูบักละดิอลอฮ์หวท่านอบูบักเนี่ย ลูกสาวของท่านชื่อท่านหญิงอะไรอาฮิชาแต่งงานกับใครท่านนาบีสุลต่านอุสันลมแล้วลมีอยู่ช่วงหนึ่งคนมูนาฟิกีนนะคนมูนาฟิกเนี่ยใส่ร้ายว่าท่านหญิงอาฮิชานั้นทำชู้เห็นไหมทำชู้เล่นชู้โอ้โหพี่น้องครับแล้วก็ไอ้คนที่ใส่ร้า ย, ายกุขาดเรื่องนี้ขึ้นมาไนอะ้ญาติของท่านอบูบักเองชื่อมิสต ชื่อมิสตอนายมิสตอร์ใส่ได้เลยกระท่านเป็นญาติกันอยู่ใกล้ชิดกันแต่ท่านมิสตอคนนี้นะท่านอบูบักเนี่ยช่วยเหลือด้านการเงินเอาอาหารส่งให้เอาเงินส่งให้เอานี้ให้อานนูนให้ช่วยบนดุนยาแล้วเป็นไงมิสตอเนี่ยกลับไปมุนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกก็กลุขาวว่าลูกสาวท่านอบูบักนี่นะ่มีชู้ด่าใครทศกัณนาบีใช่ล่ะ อัลลอฮฺไปนองครับสังคมนี่นินทาฟิตนากันเต็มไปหมดอัลลอตัดสินกว่าจะตัดสินน่ะไม่ใช่วันสองวันก็สิบวันยี่สิบวันน่ะใช่ไหมล่ะระหว่างนี้ทุกไหมทุกเพระอัลลอตัดสินว่านางสะอาดนางไร้มนทินนางไม่มีความผิดที่ใส่ร้นั่นเป็นกุข่าวขึ้นมาเยบะฮาดีซุลิฟท่านอบูบัต ตอนที่ถูกฟิตนาเนี่ยลูกสาวถูกฟิตรนาประกาศนะเลิกช่วยมิสตะคเด็ขาดไม่ช่วยแล้วอาหารเข้าสารบูดูไม่ให้แล้วไม่ให้พออัลลอ์รับรองวันลูกสาวเชิญอาสะอาดบริสุทธิ์อัลลประทานอัลกุรอานลงมาหาท่านนาบีบอกให้นบีมุฮัมัดบอกท่านอบูบักบอกให้เลิกซะเลิกซะเลิกอะไรเลิก ที่ว่าสัญญาว่าจะไม่ช่วยนะเลิกคิดให้ช่วยเหมือนเดิมโอ้โหเป็นไงท่านบอกว่าถ้าอัลลอฮ์สั่งให้ช่วยฉันก็จะช่วยนี่ไงไม่เป็นไรน้องเอาอไรนะเอาความโมโหเอาความโกรธเอาความไม่ดีออกจากหัวใจได้ไหมได้เชื่ออะไรเชื่อคําสั่งอัลลอฮ์นี่ไงบุญดุงยานี้สามารถเป็นสวรรค์ได้ไหมได้ วันนี้พี่น้องพี่น้องที่ทะเลาะ ก, กันมีเปล่าวันนี้ยอ้าทะเลาะ ก, กันมาสามเดือนแล้วยังไม่เด็ดคืนดีกันเลยยังไม่สลามกันเลยพี่น้องดองไอความผิดเอาไว้นานๆอนะดีไหมอ่ะน้ําประเชงอดดองได้ใช่ไหมกี่ปีสองปีเนี่ยน้ําลูกยอที่ขายกันที่เอ็มทีวีเนี่ยเขาดองไว้สองปีนะ่ะถ้าดองไว้ยี่สิบปีเป็นมหาบําบัด เรก็นั่งฟังโตปาเชงพูดล้วก็นั่งฟังรเรา ก, ก็ได้ความรู้เราเอามาเทียบ ม, มาติบานในอิสลามเนี่ยพี่น้องพี่น้องอ ะ, อะพูดเรื่องนี้นะไอ้เรื่องน้ำหมักดังน้ำน้ำมน้ำหมักเนี่ยน้ำหมากอยู่ในหะดีส์นะเพิ่งเพิ่งอ่านพบอยู่ในฮะดีส์นะมีวันหนึ่งท่านนาบีถามภรรยาว่าวันนี้มีอาหารให้เราให้ฉันทานไหม พระยาบอกว่าไม่มีมีแต่น้าสม้มคําว่าน้ําส้มที่ท่านที่ภรรยาอาับดุลเบลพูดหมายถึงน้ําหมักน้ําส้มหมายถึงน้ําหมักที่น้ำหมักน่ะหมักประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเขาเรียกว่าน้ำหมักเรียกว่าน้ําส้มหรือกว่าน้ำหมักนบีก็บอกว่าเนี่ยมุลอีดามอัลคัลลู อาหารหรือแกงที่อร่อยที่สุดที่มีบรารักักมากที่สุดที่มีเป็นเนื้อมัดเป็นความโปรดปานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลคอลโลหมายถึงน้ำส้มน้ำส้มหมายถึงน้ำหมักฉะนั้นทหาพิทน้องมุสลิมนะทานน้ำหมักเพราะน้ำส้มเนี่ยมันต้องหมักก่อนนะถ้าหมักตามสูตรอาหรับเนี่ยอย่างน้อยต้องหกเดือนขึ้นไปนะแต่ผู้ราไม่รู้ไนงะ นั้นการทานน้ำหมักน่ะดีไหมดีทําให้โรคภัยไข้เจ็บเราช่วยบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเก่าซึ่งเราเองไม่เข้าใจเนี่ยมุลอีดามอัลคอลล์แกงที่มีเนี่ยอันมากที่สุดก็คืออัลคอลล์หมายถึงน้าส้มน้ําส้มพูดคุยกับอาับเองงานเนี่ยนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้ำส้มหมายถึงน้ําหมัก อาจจะเป็นหนักผ ล, ลไม้หมักดูนหมักนี่อะไรก็ตามเขาบอกวิธีนะหมักเนี่ยหมักด้วยน้ําอย่างเดียวแล้วก็เอาผ้าคุมเอาไว้หกเดือนอย่าเปิดพอเปิดขึ้นมา ก, ก็เอาน้ําหมักเนี่ยเอามาทานได้เลยแต่สูตรที่พวกเราทํากันอยู่เนี่ยที่ป้าเชงสอนเนี่ยหมายถึงเอาน้ําตาลสายแดงเข้าไปด้วยอทำอยูแ่แล้วเราก็ศึกษาไปพิจารทั้งหลายไม่ผิดสุนนะอ่าดีซะอีกเพื่ออะไรนะ เพื่อสุขภาพของเราเองเอาต่อมาครับวานาซานามาฟีสูดูรีหิมเราได้ข้าจัดออกจากหัวอกของพวกเขานั้นมินรินลินความหม่นมองในหัวใจไม่มีเรื่องอิจฉาดุสยาไม่มีผูกพยาบาทไม่มีโกรธไม่มีถึงแม้ว่าเป็นพี่น้องกันครอบครัวเดียวกันอีกค น, นอยู่สวรรค์ชั้นสูงเราอยู่ต่ำเรื่องอิจฉาไม่มีเพราะอัลลอฮ เอาออกหมดแล้วนาซาณาเราดึงออกหมดแล้ววันนี้เราต้องการจะให้เราดีมาอยู่ในสวรรค์ทําได้ไหมได้ก็ต่อ อ, อะไรนะเอาการให้อภัยเข้ามาอยู่ในใจความสงสารเมตานึกถึงนบี ม, มุฮัมมัดนึกท่านอบูบากาทําไมเขาทําได้อะเขาก็กินข้าวแบบเราเนะนะี่ยแหละ แต่ว่าหัวใจของเขาสะอาดต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ى วันอาซาณาเราจะขจัดเอาออกฟีซุมมาฟีซูดูริฮิมที่อยู่ในหัวอกของเขาทั้งหลายมินรินลินล้นความหม่นหมองอิควานั้นในสวนสวรรค์นั้นเป็นพี่น้องกันหมดเลยถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละแถวถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละชั้น แต่เป็นพี่น้องกันคุยกันได้ไปมาหาสู่กันได้พี่น้องได้อัลลอ์นี่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังก่อนนะอาลาสูรูเรนเวลานั่งนั่งที่ไหนนั่งอยู่บนเตียงนั่งอยู่บนแท่นอัลลอฮ์อักุบะตนั่งต่า ง, งาเลยอะนะมูตะกอบิลินหันหน้าเข้าหากันวันเนี้ยเราก็เอาเอาเอ า, เอาชนชาวสวรรค์ม า, มา มาใชา้นั่งเข่าหากันใช่ไหมล่ะนั่งคุยกันเอาใชา้นั่งอยู่บนเตียงแล้วก็อยากเอาของอะไรนะของชาวสวรรค์มาใชา้แต่ไอัอยู่ในหัวใจไอ้ความอิจฉาเนี่ยมันได้เอาออกนี่คือข้อเสียหายของเราอยู่ตรงนี้แหละเพราโลกดุจยาโลกในการทดสอบอะ่ะแต่ท่นใครที่ควบคุมอารมณ์ตนเองเหยียบนับสู่ตัวเองได้มากเท่าไรคนนั้นเป็นคนที่ อัลลอฮ์เมตตา ม, มากที่สุดเหมือนกินนั่งอยู่ในสวรรค์เหมือนกันนะครับพี่น้องนบีสอนอย่างนี้นะยะดูคูลอัลลุลจันนะชาวสวรรค์ น, นี่นะครับจะเข้าสวรรค์ น, นี่นะอัลลอฮ์ะจะถอดเอาความอะไรนะความขัดแยง้งชะนาความขัดแยง้งความเกลียดชังความมุ่งร้าย ที่อยู่ในใจ้ะเอาออกหมดเลยพี่น้องอยากจะให้เราเองตัวพมเองเนี่ยผู้ที่ฟังรายการนี่เนี่ ย, ยอย่ากเก็บความโกรธเอาไว้นานๆเสียหายอะไรรูป้ปะเสียหายอย่างนี้ทุกมันมีวันหนึ่งเดือนอาทิตย์หนึ่งสองวันที่อเราเสนอผลงานนี่เล่ามาอีกทีนึงเพราะพวกเรามันลืมง่าย วันอะไรนะวันจันทร์กับวันพฤหัสอัลลอฮ์จะให้มลายกานําเสนออามันของเรางานของเราเคลื่อนเฝ้าอัลลอฮ์อาทิตย์ละสองครั้งวันจันทร์กับวันพฤหัสอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้อภัยอภัยอภัยอภัยอภัยอภัยอภัยอภัยยกโทษยกโทษยกโทษยกโทษให้ทุกคนเลยเบาวที่เป็นมุกมินนะคนกาเฟสไม่เกี่ยวนะเบาวมุกมินยกเว้น ถ้าหากว่ามีอยู่พี่น้องกันสองคนหรือใครก็ได้สองค น, นเขาเนี่ยทะเลาะ ก, กันขัดแย้งกันแล้วก็ไม่ยอมคืนดีกันเอเลาก็จะบอกมาเลยก้าวบอกว่ า, วาเอาเอาเก็บไปก่อนเอาสมุปเขาเก็บเก็บเก็บไว้ก่อนยังไม่อภัยโทษให้ยังไม่ให้รางวัลรอจนกว่าเขาจะมาคืนดีกันเสียก่อนถึงจะมอบรางวัลให้ นึกภาพถ้าเราทะเลาะ ก, กันจกกนกระทั่งตายงานของเราเอาลัลลอมาพิจารณานะถามว่าไปนรกหรือไปสวรรค์ไปนรกนะ่ะเพราะนั้นอย่าดองไอ้เรื่องอย่างนี้เรื่องขัดแย้งกันทะเลาะ ก, กันดองไว้เกินสามวันนะบิวต์แก้ไขซะเปลี่ยนแปลงซะคืนดีกันซะผมน่ะชอบใจคุณเฉลิมเนี่ยเป็นคนที่ให้อภัยคนมากที่สุด ก็อยู่ด้วยกันคุยกันทุกวันเลยหลังงานที่คุณเฉลิมพี่เหลือนชอบมันคือเยี่ยมคนป่วยอ่อนข้ามเด็กเป็นความดีทั้งหมดเนี่ยแค่ตั้งเราต้องมีดีอะไรสักอย่างนะหนึ่งเป็นคนให้อภัยคนเก่งไหมหรือชอบบริจาคไหมมันต้องมีอะไรเด่นเด่นเด่นไม่ใช่ขี้เกียจเด่นนอนเด่นโอ้โหไม่ไหวอย่างงี้อิชายิสยาเก่งเด่นเรื่องทะเลาะการต่อยเตะโอ้โหไม่เอาไม่เอา เอาเด่นเด่นเรื่องดีๆกันดีกว่าให้อภัยคนเด่นมากเลยแล้วก็มีเงินมีทองบริจาคให้ญาติพี่น้องดูแลคนยากคนจนอเด่นเรื่องอย่างงี้ใครป่วยไม่สบายออกไปเยี่ยมไปขอดอาอย่าเยี่ยมอย่างเดียวนะต้องขอดุอาด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นต้องเด่นในเรื่องเหล่านี้นมาตหัจย์ดเด่นมานมาดมัสยิดเด่นอย่างงี้เป็นต้นนะครับ <S <S พี่น้องครับกุารานสอนอย่างงี้นะ อินนัลลอฮฺฮะตามัจฮัดิซอนอินนัลลอฮฺตาฮะรักุลูบะฮุมแท้จริงอัลลอฮจะขจัดหัวใจของเขาให้สะอาดมินไอยตะตาฮะซดูให้ความอิจฉาเนี่ยออกไปจากหัวใจของพวกเขาถึงแม้ว่าจะอยู่ในสวรรค์ต่างกันความอิจฉาไม่มีนี่เล่าใหม่ <c oughs> เอาตัวหะดิษมานมี่ไม่ใช่เรื่องเล่าเรื่องตัวหะดิษจริงๆว่า คนที่อยู่ในสวนสวรรค์ตามชั้นการเรื่องอิจฉามีไหยไม่มีแต่ยว น, นยุนญา น, นี้เออมึงเด่นกับกูนะ ม, มึงนะมึงนะอิจฉามีอะไรมีใช่ไหมละ่ะแต่นบีก็สอนเวลาเราเข้าไปบ้านใครก็ตามไปเจอบ้านเขาก็ใหญ่อลลอรถจอดยี่ห้อดังๆไว้สีห้าคันพยาเขาว่าแต่งตัวสวยลูกๆเขาอักรากดีหมดถ้าในใจมีอิจฉาพี่น้อง อยากจะให้อิจฉานี่ออกจากหัวใจเราไหมทำงี้กล่าวว่างี้มาชะอัลลอฮจบแปลว่าอะไรเนี่ยอมามัดที่เขาได้มานั้นเป็นไปความพระประสงค์ของอัลลอแล้วอัลลอให้เขาอัลลอไม่ให้เราเราได้แค่นี้ฉะนั้นคนที่มี إ ي م านเนี่ยนะเราพอใจกับริสุกีที่อัลลอมอบให้เรามีมากอัลฮัมดุลิลลา มีแค่นี้อัลฮัมดุลิละนี่ไง إ ي م านข้อหนึ่งนะพึงพอใจต่อเ น, นี่ยอามัตที่อัลลอฮ์มอบให้แก่เราพึงพอใจในเนี่ยอามัตที่อัลลอฮ์มอบให้แก่เรามีมากก็ทมดูเลยละมีน้อยเราก็พอใจนะครับเอาพี่น้องครับในสงครามพี่น้องทราบไหมท่านท่านไซนาอัลีเนี่ยกับ ท่านหญิงไอาชาเนี่ยหลังจากนาบีตายไปแล้วเนี่ยเขาทะเลาะกันนะเขาทะเลาะกันเขาเรียก่สงครามจามันสงครามอูดนบีเสียชีวิตไปแล้วท่านหญิงไอาชาเป็นภรรยานาบีใช่ไหมไซนาอาลีเนี่ยเป็นเป็นหลานนาบีใช่ไหมนะ่ะแล้วแต่งงานกับลูกสาวนาบีเคยทะเลาะกันนะสงครามกันเลยเอาซอฟ้าสองกลุ่มเนี่ยมาอยู่รวมกันก็สงครามกัน พอสงครามไม่กี่วันก็เลิกกันจบกันวันนี้หยุดสงครามในระหว่างสงครามก็หยุดสงครามแล้วป็นต้องสังเกตนะมีหัดดี้อธิบายไว้ดีมากก็บอกว่ามีคนกลุ่มที่อยู่กับท่านหญิงไอซ า, าเนี่ยตอนตอนสงครามนี่นะเวลาพักรบตอนกินอาหารเนี่ยจะเดินมากินอาหารกับกลุ่มไซดินาอี ทหารฝั่งพนุ่นเนี่ยไว้ ง, ง่ายนะเวลาภักรบเนี่ยจะเดินมาทานอาหารกับไซเดนาอาลีถามมาทําไมอะอาหารของท่านอร่อยพอกินอิ่มอยู่แล้วกว็เดินกลับไปอยู่ฝั่งพนุ้น <es> นั่นเห็นยังเน่ะสวบ้านนบีเนี่ยเขาทะเลาะ ก, กันแต่เขาคุยกันเห็นไหมนี่ไอภาพอย่างนี้อยากเห็นในปัจจุบันนี้อาทิตย์อธิบายต่อไปอีกนะครับ วันนี้หยุดสงครามปรากฏว่ากลุ่มไซนายิงอายชาเนี่ยมานั่งคุยกับไซนาลีมาสลา ม, มาทักมาทายกันอะไรกันชาวบ้านเห็นก็บอกอ๋อเมื่อวานนี่มันทะเลาะกันนะ่ะแต่วันนีด้ดูสิดูสิดูมานั่งยิ้มกันเดี๋ยวมานั่งคุยกันสิทำไมเขาทาได้เขาเอาอายานีไปใช้วนานาซานามาฟีซุดูริห์มินริลินตาจรี มิ่ต้ที่ฮัลอันฮัดอายาเดียวกันนี่เลยพี่น้องวันนั้นนามาฟิสุดูริมมิ่งริลินอิขว่านันอลาสุดูริมมุตากบิลินเอาอายานี้มาใช้ถะลาะกันมาวานวันนี้คุยกันได้เห็นอย่างแต่ที่พวกเราเนีกูอ่านไม่ได้อ่านแล้วก็อะไรนะประวัติศาสต์บุคคลสำคัญสำคัญเราไม่เคยอ่าน เคืองกันสามปีสีปีไม่ยอมคืนดีกันมีไหมมีแล้วก็พูดเลยนะตายไม่เยี่ยมอ๋อวะถามว่าพูดถูกหรือพูดผิดเนี่ยพูดผิดพูดผิด ม, มีมีโทษไหมมีครับอร่อยเอาโทษนะ่ะแค่ท่านมุสลิมต้องเรียนแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้ตลอดแล้วก็ต้องรู้ว่าในยุคสฮาบะ ที่อัลลอฮฺบอกว่าให้เรามองซอฮาบะเป็นแบบมองเรื่องนี้ไงมองเรื่องนี้แหละเรือการให้อภัยกันทะเลาะ ก, กันมากินข้าวด้วยกันพอกินข้าวอิมเลยไปอยู่ฟังกันนู้นแล้วชักดาบมาฟันกันแต่อะไรเงี้ยอัลลอฮฺอักบันมันเป็นภาพที่ Allah, อัลลอฮฺอุลมามะเลยบอกว่าเขาทะเลาะ ก, กันก็แค่นั้นพอจบไปต่อไปบรรยายแต่สมัยนี้สิไม่อย่างนั้นอโอ้โหหนัก เพราะไรเพราะไม่ได้หันหน้าเข้าหาศาสนาของ Allah อัลลอฮ์สุบฮานาหูบะตาลาะต่อมาครับอิควานันอาดาสูรุริมุตะกอบิลีนเป็นพี่น้องกันอิควานั้นเป็นพี่น้องกันนะอาดาสูรุรินสารีตแปลว่าเตียงในคุรอ่านสาริตแปลว่าเตียงนั่งอยู่บนแท่นนั่งอยู่บนเตียงมุตะกอบิลีนแปลว่าหันหน้าเข้าหากัน เขอธิบายต่ อ, อย่างนี้อีกตับ้บซิดอธิบายนะมีอยู่สิบคนที่เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนอเอาใครมีก็เรียกว่าท็อปเท็น่ะนะมีอยู่สิบคนที่เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบแ ล, แล้วคนเหล่านี้เป็นคนดี อ, อัลลอฮ์พอใจเป็นต้องจําเลยนะมีอยู่สิบคนหนึ่งท่านอบูบักสอง ท, อสท่านอุมารสามท่านอุสมาน สี่ท่านอาลีรลลอฮหวานทุมเป็นคอิฟ้าทั้งสี่นี่เข้าวสวรรค์จบไปเลยไปน้องมาต้องรอสอบสวนแล้วและอีหกท่านใครครับตอนลฮะต้นละะตั้งชื่อลูกตอนละะย้ได้นึกโอ้โี่ชาวสวรรค์นี่ชาวสวรรค์ต้นละะอเจ็ดท่านซูเบรอ่าท่านซูเบร ใครจะชื่อซูเบสซูเบสโอ้เป็นน้องครับนั่นแหลเป็นชาวสวรรค์อบรมไม่ดีน่ะดูแลลูกให้ดีนะคนที่เจ็ดอับดุร์ห์มานบินเ อ, อัลท่านอับดุร์ห์มานบินเอัลเนี่ยเป็นใครเป็นนักธุรกิจโอลโลธุรกิจพี่น้องใหญ่มากเลยเวลาบริจาคทีน่นะอูดพันตัวพร้อมกับอะไรนะสินค้าที่อยู่บนหลังอูด นั่นมหาเศรษฐีตอนแต่งงานมหาเศรษฐีนะไม่ได้บอกนบีนี่มาจากมักกะมาอยู่ที่นครมาดีนนะไม่ได้บอกนบีอลอลลอฮฺอย่างพวกเราเชาวเนี่ยชาวพระโขนงเนี่ยไปอยู่มักกะไปอยู่เปนเจ็ดครอบครัวอีกครอบครัวนึงแต่งงานลืมบอกอเมรลืมบอกผู้นําเครื่องเนอ่ะดูสดดิดูดูดูมันแต่งดูมันแต่งสิ ไม่บอกเราสักคำหนึ่งเราไปกันเจ็ดครอบครัวจากคองเคสเนี่ยนะ่ะไปอยู่ที่มาักกาะเนี่ยดูสิดูสิดูดูดู ด, ด, ดูมันแต่งแต่งงานไม่บอกเราสักคํานึงเราก็เสียใจนานบีไม่จะเสียใจมาจะบอกนบีนบีไม่เสียใจนบีไปเห็นเองไปเห็นที่มือเนี่ยก็บอกอ้าวอดุลลมานแต่งงานแล้วหรือบอกแต่งเมื่อคืนนี้นบีขออุอาเลยบรลารก ا ล ك الله ل กะ ว่บารักอัลัยกะว่าะมาอับบยนักูมารฟีใครคนว่าเลยนี่งาสุนานะานบีหัดิสนี้อุลามาก้องอธิบายดีนะเพราะฉะนั้นใครที่เขาแต่งงานแล้วไม่ได้ไม่ได้ถูกเชิญอย่างอนอย่าไปบน่นไม่เชิญกูกูกินไม่เยอะหรอกจานเดียวเท่านั้นพูดกันแน่กันแนะนบีพูดไหมพูดไม่ได้พูด ถ้าจะพูดทําทำไมไม่เชิญฉันบ้างอ่ะนบีไม่พูดเจา้านโตอิหมัามทั้งหลายน่ะที่เขาไม่ได้เชิญไปน่ะอย่าไปโง่อย่าไปเสียใจทําตามนบีเห็นหน้าเจะบาบา ร, ร, รักอัลลอฮุลละวะบารักอัลลอฮิข่าจะมาอาบายุนะกู ม, มาฟีคอยดูอ่านนี่ไม่ได้อ่านตอนดีก้ายอย่างเดียวน่ะเจอกันริมถนนเจอกันริมถนนเจอเจ้าบ่าวริมถนน เขาวนิกาไปแต่สองวันอ่านดูอาบทนี้ได้ไหมได้บารักอัลลอฮุลักววะาบารักอาไลกะว่าจะมาอาบัยนะกูมาฟีก่อผมตอนที่ผมแต่งงานเนี่ยเล่าเรื่องเก่านะ4ี่ปีที่แล้วหนิกาเสร็จอีกวันหนึ่งผมมาพบอญญาจารย์เดเรอิบรอหิมกูเรชีท่านเสียชีวิตไปแล้วนะเจอผมก็เดินมาสลามผมบารกอัลลอฮุลลกวะบารักอะไลกะ ว่าเจ้ามาอาบัายนะกู ม, มาฟึกค่ผมก็นึกอ๋อรอที่ทำตามสุนานะนบีอ่านดูเลยเอ้าอิสลามไม่ใช่ไงพี่น้องริมถนนบาระกะหลุนแลกว่าบาร์บาราเล็กแลกว้วก็มาอ่านฮะดีษด้วยพี่น้องครับฉาจารยอย่าไปตําหนิเลยทำไมไม่เชิญดูทำไมไม่เชิญทำไมไม่เชิญรอพี่น้องไม่เชิญก็ไม่เชิญเขาอาจจะลืมปะัะหาษได้ได่ามีปัญหาใช่ไหมแต่เห็นหน้าเจ้าเบาต้องขอดูอาอย่างนี้เป็นต้นนะ มีใครบ้างครับหนึ่งอบูบักสองอุมัดสามอุมสมานสอาลีหตอลฮะ 6. ซุบตเจดอับดุลราะห์มานบินอาฟแปดซาอิดบินอบีวกอสนะครับ9าซาอิดบินเจดซาอิดมีสองคนนะคนสุดทา้ายอับดุลลอฮ์บินมัสอาอูดอย่างนี้เป็นต น, นี่เป็นสหายที่เข้าสวรรค์อัลลอฮ์เป็นน้องครับ ท่า น, นขอให้พวกเราทุกคนนั้นได้เข้าสวรรค์กันหมดถึงจะต่างชั้นก็ไปได้นนะเพราะอัลลอฮฺถอดอะไรนะถอดความอิจฉาที่สลาออกหมดแล้วนะครับพี่น้องเอาต่อมาครับอายาที่สี่สิลายะมัสซุฮมฟีฮานาซบุวะมาฮุมมินฮาบิมุฮริจีนลายะมัสซุฮมในสวรรค์นั้น นศอบนศอบแปว่าความเหนื่อยอความเหนื่อยหรือความเพลียอธิบายได้เลยร่วมหลับนอนกับภรรยาแล้วไม่เพลียไม่เหนื่อยไม่เพลียอดุนยาเนี่เพลียไวย้อ่ะเหนื่อยด้วยเพลียด้วยอารมณ์หมดด้วยโอ้แต่ในสวรรค์ไม่ครับเพราะอัลลสัญญาไว้เลยและอยามาซุม ฟีฮานาสบุลในสวรรค์นั้นจะทำอะไรก็ตามนะลงแรงแค่ไหนก็ตามไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เพลียมัสซูฮุมแปลว่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สัมผัสความอะไรความเหนื่อยความเพลียไม่มาสัมผัสคนชาวชาวสวรรค์โออักบันหัมอยู่ลละฮะดิสนาบีอธิบายว่าเซ็กซ์คงว่าเซ็กซ์เนี่ย อยู่บนดุนยานี่ยนะตัวตวมันเสื่อมลงใช่ไหมพออายุหกสิบเจ็ดสิบมันก็เสื่อมลงนอนห า, หายหลังให้ ก, กันไม่อยากจะถูกตัวรําคาญแต่ในสวรรค์ไม่อัลลอฮฺมันยิ่งดีขึ้นดีขึ้นเฟรชเฟรชเฟรชเฟร ช, ฟรชตลอดพี่น้องอัลลอฮฺยิ่งยิ่งดีกว่าเก่าวอีกนาะพี่น้องอัลลอฮฺให้ไหมอยากเข้าสวรรค์ได้ไหนะ่ะยิ้มกันเป็นแถวเลยอยากเข้า อยาเท่าสวรรค์อยู่บนดุนยาต้องเหยียบนับสู้ให้แรงเหยียบให้เยอะเลยไปทั้ง น, นะอย่าทำตามอารมณ์นึกถึงแต่คำสั่งคำสั่งคำสั่งของอัลลอฮฺเป็นคนที่ขัดเกลหัวใจให้สะอาดวะมาฮมันมินฮาบิมุคริจีและเขาทั้งหลายจะไม่ถูกให้ออกนี่ไงที่หะดิอธลเาะนายูไปตลอดฮัมดูลิล อยากออกไหมไม่อยากออกนี่มันเป็นอีกภาพหนึ่งที่อัลลอ์สัญญาไว้ในคีรกุรอานนะครับม่ต้องออกแล้วอยู่ไปตลอดเลยลายะมาซูฮุมฟีฮานนซอบุนวะมาฮุมมินฮะบิมุคริจีนในสวรรค์ความเหนื่อยเพลียไม่มาสัมผัสแล้วก็พวกเขาจะอยู่ใน น, นั้นอยู่แบบไม่ต้องออกนะครับพี่น้องขดิษณนบีอีขดิษหนึ่ง ว่าอัลลอ์เนี่ยบอกนะบอกนบีอินนัลลอฮาอามารนีอัลล์เนี่ยนบีกล่าวเองนะอัลลอ์น่บอกฉันสั่งฉันอันอุบัชรอคอดีะให้บอกว่าภรรยาของท่านชื่อว่าท่านหญิงคอดีญะเนี่ยอยู่ในสวนสวรรค์อัลลอฮ์ภรรยานบีอยู่ในสวนส ว, นสวนรรค์ใช่มนบีสบายใจไหม สบายใจที่อยู่เนี่ยที่เข้าสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เพราะภรรยานาบีนะเพราะนางมีอามันที่ซอซเลนนะมีงานที่ดีอะไรบ้างงานดีหนึ่งนมาครบ5กเวลาแล้วก็เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อคำสอนที่ออกมาจากปากสามีไม่ใช่เพราะสามีนะเพราะมุฮัมมัดเป็นนาบีพี่น้องเพราะเป็นนับีไหนะพี่น้องเชื่อฉะนั้นคนที่ เอาซุน่านนบีไปใช้น่ะเอาล้พอใจหมดเลยนะพอใจนะท่านผู้ชายพวกเราเนี่ยนะต้องนึกถึงซุน่านนบีเยอะเยอะย่างนอนเยอะให้อภัยภรรยาไปเถอะวันหนึ่งกี่ครั้งก<ๆ> <70 S 2> ี่ครั้งกี่ครั้งเจ็ดสิบอ่านี่หะดิษนบีนะอาฟูอันฮะคุรยาลเมนซาบัยนามารตันให้มองภาพภรรยาให้อภัยภรรยาวันหนึ่งเจ็ดสิบครั้ง อา้าวผมยกตัวอย่างเล่าอีกเล่าเล่าให้ฟังใหม่เพื่อจะได้ไม่ลืมอ่ะมีอยู่คืนหนึ่งนบีไปนอนที่บ้านภรรยาคืนหนึ่งคนหนึ่งเสร็จแล้วตอนดึกนบีก็เข้าห้องน้ำภรรยาตื่นมาในช่วงที่นบีไม่อยู่คาดูอา้าวไปแล้วไปนอนบ้านอื่นแล้วเมืองเนี่ยอารมณ์โกรธมีไหมมีก็คนล็อกประตู พอล็อกประตูเสร็จน บ, บีก็มาเคาะประตูบอกเปิดไม่เปิดบอกไม่เปิดทำไมอ่ะโมโหเครื่องเครื่องเรื่องอะไรเนี่ยก็นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยแอบไปนอนที่บ้านอื่นอีกเรียกว่าเปล่าไปเข้าห้องน้ำสมัยก่อนห้องน้ำในตัวมีที่ไหนละ่ะต้องไปฉ่ายข้างนอกกันใช่ไหมละ่ะฉันไม่เชื่อนี่ภรรยาพูดว่าฉันไม่เชื่อ นบีก็บอกว่าฉันเป็นนบีนะไม่พูดโกหกน ะ, ะเพราะว่านาบีก็นึกอ๋อเป็นนบีของอัลลอ์ก็ไปเปิดประตูตอนนบีเดินเข้ามาเนี่ยนบียิมแต่หน้าภรรยาเนี่ยไม่พอดี <c oughs> นี่ไอ้หน้าใบหน้าที่ยิ้มเนี่ยถ้งว่าใครสั่งข้างบนมุฮัมมัดยิย้มนะนบีทําปฏิบัิตาอัลลอ์หมดเลยอ่ะยิมนี่เราเองเหมือนกัน คำว่าซุนานะนบีก็หมายถึงเอาซุนานะนบีตอนภรรยากโกรธเอามาใชา้เอามายิ้มนางจะโกรธสักกี่ชั่วโมงก็ปล่อยก็โกรธไปนะบีก็ยิ้มเราก็ยิ้มเข้ามาก็อาบน้ำน้ำมันนมานตะฮันยุดต่ออย่างนี้เป็นต้นทําได้ไหมได้ฝึกค่อยฝึกเพ่อนภรยาก็เหมือนกันมาฟังศาสนานเยอะๆก็อย่ากโกรธนานกัเลยหานาทีก็พอ มุงทีใชตอนเยอะกว่าจะออกได้ไล่หลายตัวไล่คนนี้ไล่ตัวนี้ตัวนี้ข้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอา้าวละยามัดซูฮุมฟีฮานาสซบุวะมะฮุมมินฮาบิมุครีจินท่านหญิงอ่ะทันหญิงคอดีญาเป็นชานเป็นชาวสวรรค์นะเป็นชาวสวรรค์อีกขัดีิสหนึ่ง อ, อธิบายแล้วขัดดินึ่ก็คือว่าชาวสวรรค์นั้นแข็งแรง ทำงานในเหนื่อยมาเพลียไหมไม่เพลียอยา่างนี้เป็นต้นโอ้โหอยากได้อยากได้อยู่บนดุจยานี่ <c oughs> อัตอมากับอายาที่สี่สิบเก้านบิไอบาดีอินนีอันลกฟูรุรอฮีมนบิแปบลบว่าจงแจ้งข่าวจงแจ้งมุฮัมมัดเอ้ยเรื่องที่ฉันเล่าเรื่องสวนสวรรค์เนี่ย จงนำเรื่องนี้ไปสอนต่อบอกกับใครบอกกับนบีวันนี้นบีไม่มีแล้วคนที่อ่านกอกุรอานอายานี้ต้องเอาไปบอกต่อไปดาว่าต่อไปตำลิกต่อไปสอนต่อสอนต่อเธอใช่ไหมนบีอนั บ, บ, น บ, บีจงไรนะจงแจ้งแก่บ่าวไอ้บ้าดีบ่าวของฉันให่มไ้ยอัลลอ ยังเรียกตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะไม่เอาอลัอลอลอฮ์อัลลอฮ์ยัเรียกว่านะอิบาดีเบาฉันนี่อลัลลอฮ์เมตานะอิบาดีเบาของฉันมุฮัมมัดเอ๋ยไปสอนเบาเบ่าของฉันเรื่องนี้แหละเรื่องสวรรค์เนี่ยอลัลลอฮ์ให้เอาใครเข้าสวรรค์เข้าแล้วอลัลลอฮ์ทำยังไงโอ้อธิบายไปหมดเลยต่อมาครับอินนี แท้จริงฉันอินนีแปลว่าแท้จริงฉันอันนีแท้จริงฉันอา น, น่าเห็นไหมแท้จริงฉันฉันพูดกี่ครั้งสองครั้งอาณาโลฟู ร, รูรไฮมฉันเป็นผู้อภัยเป็นผู้ทรงเมตตาเสมอมีอยู่สามครั้งด้วยกันเนี่ยอินนีอันนีแท้จริงฉันอา น, น่าแปลว่าฉัน อัลกอฟูรผู้ทรงอภัยมันมีอันเข้าไปเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์องนี้แหละอัลลอฮ์พูดย้ำถึงสามครั้งนะอันนี้อันนะอัลลอฟูรุลรอฮีมแท้จริงฉันฉันเป็นผู้ให้อภัยทุกคนที่ทำคนดีเป็นคนดีเห็นไหมพี่น้องเนี่ยแสดงว่ารซาลานะ ให้เราเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆว่าอัลลอ์จะทรงเมตตาพูดย้ำกี่ครั้งนะสามครั้งนับบิอิบาดีอันนีอนานะอัลอฟูรุรหีมจงแจ้งแกเบาวของฉันนะแท้จริงฉันฉันฉันเป็นผู้อาภัยเป็นผู้เมตตาเสมออัลลอ์นี่พูดย้ำไปยา ม, มาถึงสามครั้งอินนีอนอันนีอณ แท้จริงฉันฉันฉันนะฉันนะฉันท่านอภัยนะยาบไยามาสามบางท่านตัศนีต้องเรียนถ้าไม่เรียนเราก็ไม่ผูกพันกับอัลลอฮฺสุภาโนะตาจาลพี่น้องอายะห์ที่50วสิบนันอาซาบีฮฺว่าละซาบุนอัลีมวันอาซาบี หัลาดาบุนอาลีมแท้จริงการลงโทษของฉันอาดาบีหมายถึงการลงโทษของฉันกับใครนะแก่พูดละเมิดนั้นหัวลาดาคือการลงโทษที่อาลีมอาลีมแปลว่าไรเจ็บปวดเจ็บแสบหนักมากเลย เอาลอแค่ภาพกูโบการลงโทษของภาพกูโบอย่างเดียวนะมีงูงูพิษงูมีพิษนี่ฮะดิษบางบุคอรีคลอธิบายไว้นะงูพิษมาที่กูโบเจ็ดสิบตัวอลอเจ็ดสิบตัวแล้วงูพิษเนี่ยพิษขนาดไหนนบีอธิบายเองนะถ้างูพิษตัวนี้มาฉกมาฉก แผ่นดินตรงนี้ตรงไหนก็ตามปุ๊บลงไปเนี่ยนะต้นหญ้าต้นไม้ไม่สามารถที่จะปลูกอะไรขึ้นเลยนั่นความแรงของคำว่าตันนีนงูมีพิษมัดฉกเราที่ไหนในกูโบกี่ตัวเจ็ดสิบตัวมันไม่ใช่ตัวเดียวนะเราเนี่ยมาแรงป่องต่อยตัวเดียวนะปวดสามวัน แลอยู่ในกูโบน่ะมันมาทีนึ้งเจ็ดสิบตัวน่ะมันไม่ใช่ต่อยอย่างหมดมาแรงป่องดุนยาที่ไหนล่ะมันมาแรงป่องอาร์คร้อนฮะโอ้โหมาเป็นจะมาน่ะเดินมาเป็นจะมาล่ะรอลเล่นปับปับปับปับปับเล่นจนกว่าจะถึงวันตียมาเน่ยมัไม่ใช่ต่อยครั้งเดียวต่อยต้องวันเลยทั้งวันกลางคืนกลางวันกลางคืนตายก็ไม่ตายกูอ่านที่มามอ่านบนโต๊ะโซโบเนี่ย ไม่เป็นด้วยไม่ตายด้วยมันทรามานสุดๆฉะนั้นนึกภาพนึกภาพอาสากูโบการทรามานในกูโบนึกภาพในโลกอาคีรอเยอะๆเราจะได้ลดทำความชัว่วการไปนองต้งงลายรับคือนบีต้องการจะบอกอย่างนี้นะมีอยู่วันหนึ่งนบีเดินเข้ามาหาสุฮาบะพอเข้ามาก็ที่บานูชัยบา อยู่ที่ไหนมักกะใช่ไหมบันูไซบ้ามีใช่ไหมล่ะหน้าต่างบันประตูบันูไซบ้าคุณจะเหลือมีใช่ไหมยังอยู่นะชื่อยังเขียนอยู่นะบันูไซบ้าเนี่ยมีชื่อหมดเลยประตูบันูนบีเดินเข้ามาทางประตูไซบ้าพอเดินเข้ามาก็มาเห็นซอยบ้านนบีเนกำลังนั่งหัวเราะกันหัวเราะกันคิกคักคนบีเดินกลับนบีเดินกลับ ระหว่างที่เดินกลับเน hi ี <c oughs> <ifi él> ่ยจิบรีนลงมาหานบีเลยมาบอกว่ายาหม่อมฮมัดเห็นคนหัวเราะกันเยอะๆเนี่ยเป็นห่วงกลัวว่าจะลืมอัลลอฮฺเป็นห่วงอ่ะนี่ลงมาเตือนเลยนะเตือนสัฮาบานาบีเลยนะให้จิบรีนลงมาบอกกับนบีฉันห่วงเนี่ยเนี่ยนั่งหัวเราะกันเนี่ยกลัวจะลืมอัลลอฮฺเห็นมไหมพี่น้อง แค่นั้นอนะ่ะเรานั่งร้านกาแฟอย่านั่งยาวได้ไหมเวลานมาสัสเซแล้วมานั่งที่หน้ามาสัสยิดอิ่านินทาคนอื่นได้ไหมเพราะเป็นหวงอนะ่ะพ่อนาบีอลัลลอฮ์ยังเป็นห่วงแหละให้จิบรี ล, ลงมาบอกนาะบีเห็นซาฮาบานาบีกําลังนั่งหัวเราะกันเลยสั่งว่าอย่าท้อแท้ต่อความเมตตาของอลัลลอฮ์นะกลัวแล้วมันจะเพลินกัวเราะกันเพลิน นั่งอ่าจบุรีกันคุยกันเพลิอนอดลมระวังระวังระวังต้องนึกถึงอัลลอ์สุบฮานะฮูวตะตอลาแล้วก็นบีก็อ่านคูรา์านอินนีอันนีอันัลกอฟูรุรฮีมแท้จริงฉันฉันฉันพูดกี่ครั้งสองสามครั้งฉันนะฉันนะเป็นคนให้อภยัยแค่นั้นอย่าลืมอัลลอห์คิดถึงอัลลอฮ์ทำอะไรผิดอย่าดองความผิด นะครับอย่าดองอย่าไปดองแบบแย่านำหมักนะนั่นไม่ใช่นำหมักกันมั่งหมักเท่าไหร่มันยิ่งดีนะแต่ความผิดอย่าดองรีบเต้บาบ้าตัวรีบคืนดีกันเถอะกับพี่น้องที่ทะเลาะกันนะครับพี่น้อง อ, อ้ญญาวอายสุดท้ายวันนับบิหุมมอมัดเอ้ยจงไรจงแจ้งข่าวบอกข่าวแทนฉันหน่อยเพราะอาลัลลอฮอยู่บนฟ้าอาลัลลอจะไม่ลงมาสอนเอง อัลลอฮ์จะแต่งตั้งคนคนหนึ่งทุกยุคทุกสมัยมาสอนแนทนอัลลอฮ์ตั้งแต่นบีอาดามเรื่อยมาใช่ว่นานบีอาดมามนบีอิบรอฮิมนบีนัโอูส่งนบีมาตั้งเยอะที่มีชื่อยี่สิบห้าท่านที่ไม่มีชื่อเท่าไรเป็นแสนส่งมาทําไมง่ะนี่มาน บ, บีแจ้งข่าวแจ้งข่าวแจ้งข่าวแจ้งข่าวอันไบฟีอิบรอฮิมแจ้ง เข่าเขาทั้งหลายถึงแขกบอยฟุลแปลว่าแขกเนี่ยชายทางเอกพจน์และชายท้งพระหูโพสด้วยคขาบว่าบอยฟุลด์แปลว่าแม่มาในภาษาอุ ด, ดูในภาษาอังกฤษเรีย ก, ก, กว่า guest แขกพี่น้องอิสลามกับแขกเป็นของคู่กันบอยฟีอิบรอยฮีมแขกของใครนะ แขกของนบีอิบรอฮิมต้องการจะอธิบายอย่างนี้แขกการต้อนรับแขกครั้งแรกในโลกคือแขกที่มาหานาบีอิบรอฮิมนบอิบราฮิมไม่รู้ว่าเป็นมะลร็งกานั่นเราแขกเอามะเร็งกามาเชือดแพะโอ้โหทอดยังอร่อยเลยมาวางไว้ให้แขกทานแขกไม่ยื่นมือเพราะไม่ยื่นมือชักกลัว นื่มาดีเมื่อมาอได้เดี๋ยวอลัลลอฮฺบอก น, นี่มาลายกาณ์นะอ๋อมาลายกะณ์มาลายกาณ์าราาเรกไม่กินนะอย่างนั้นมาลายกาณ์ไม่ดื่มมาลายกาณ์ไม่แต่งงานมาลายกาณ์ไม่มีบ้านอย่งนี้เป็นต้นต้องการจะบอกว่าการต้อนรับแขกนั้นเป็นาศาสนาการต้อนรับแขกทําให้อิมานเพิ่มได้ด้วยแขกมาบ้านดีใจอย่ามองว่า แขก ม, มาอีกแล้วเบือบ่อเบื่อยายาพี่น้องเวลาแขกมาดีใจแล้วก็ต้อนรับแขกด้วยน้ําด้วยของนุ่นของนี่มีรางวัลตอบแทนจากลออีมานโอ้โหในบัญชีเราขึ้นปุบปุบปุบ ป, บ ป, บปบอย่างนี้ไม่ต้นแต่ต้องทําเพื่ออัลลอฮฺสุภานะโอวาตาระทําอาหารอร่อยอร่อยเลี้ยงแขกไปเลยอย่าป้อนแขกเลยแค่อาหารอย่างเดียวพอแล้วนะนะอย่าไปนั่งใต้ชิดแขกมากเกินไป เดี๋ยวแขกมาไม่กลับอางนี้เป็นต้นนะอนนี้เป็นต้นอาลพ่น้องเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าจะพูดเรื่องแขกของนายบีอิบราฮิมทำอะไรบ้างนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสุภานักัลลอฮหุมมาวับดุลบหมดีกัสฉะดวนละอิลลฮ์อิลละอันตะอัลตัฟฟูรุกวะอตุบุอิไลก์ัสสลามุอะลัยกุมรห์มะตุลลอฮิวะบรกาตุ